เรื่องราวทุกอย่างใครตรองความชุรรทุรายกับตัวเองกับตัวเองอย่างน้อยก็หวังว่าคงดีกว่าประจานตัวเองให้สังคมเหยียดยาม อย่างน้อยก็แค่ทุกทรมานกต ด, ดันอยู่กับตัวเองฉันบอกใครไม่ได้เรื่องเธอทิ้ง ฉันยังไม่เข้าใจสาเยตุที่ฉันต้องถูกทำร้ายทนแทบขาดใจ จากเรื่องราว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 เจ็บปวนคราวนี้ไม่อานเปิดเผ ฉันยังไม่เข้าใจสาเหตุที่ฉันต้องถูกทำรายจนแทบขาดใจฉันบอกใครไม่ได้เรื่องเธอทิ้งไปเรื่องมันเลวร้ายเกินกว่าที่ฉันจะกล้าบอกใครฉันบอกใครไม่ได้เพราะฉันยังไม่เข้าใจ สาเหตุที่ฉันต้องถูกทำราท้ายจำแทบขาดใจ